ตอนไม่มีเหตุบังเอิญวันที่18ตุลาคม 2,559 เราสร้างกรรมโดยเราไม่รู้ตัวแค่คิดเฉยกบมโนกรรมไปว่าเขาูดวบาจีกรรมพากครูไม่กระทำแต่บางครั้งพูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะชีวิตเราต้องอยู่กับโลกใบนี้นะเราต้องรู้เท่าทันโลกการรู้ธรรมนี่คือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ใช่ไปรู้อดีต ไม่ใช่รู้อนาคตปัจจุบันมันเป็นอย่างไรแล้วต้องอยู่กับมันให้ได้เห็นไมโอเคเราตกลงกันนะมาเราเป็นคนมีสัจจานะพรุ่งนี้ไปพบกันตีห้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เมื่อคืนแผ่นดินไหวไม่ได้ตั้งสัจจานแล้วต้องไปนะแล้วก็ไปตายอันนี้สัจจ์เหรอจำไว้นะข้อตกลงกันเป็นแค่สัญญาไม่ใช่สัจจ สัญญานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุและปัจจัยแต่เราต้องไม่มีเจตนาในขณะที่ตกลงกันอยู่ตั้งใจจะหลอกเขาแต่เมื่อเหตุใจมันเปลี่ยนเนี่ยเหตุการณ์ใจมันเปลี่ยนเนี่ยเรายกเลิกสัญญาได้นี่เขาเรียกว่ารู้ธรรมคนไม่รู้ธรรมรู้แต่ความเชื่อที่ตัวเองเชื่อยึดมัน่นถือมันในอุดมการนั้นมองไม่เห็นความจริงว่าคนอื่นมองไม่เห็นความจริงว่ามีแพนด้ามันกินไม้ไผ่มีโคโลกเหนือมันกินปลา เราจะไม่เห็นความจริงเราเองก็ทุกข์เพราะเราไปหลงยึดกับความเชื่อเราพอคนอื่นไม่ทำตามเราเราก็ไม่พอใจนะเป็นแค่ลทัทธิตรงการไม่ใช่ธรรมะนะที่บอกว่าธรรมะที่แท้จริงอะ่ะไม่มีธรรมะอ น, นี้ต้นอะไรดูไหมใครตอบได้ต้นอะไรลูกชื่อว่าอะไรแม่ลำดวนเนาะเห็นไหม คนไทยเรียกว่าต้นไม้นะขณะต้นไม้อยู่ในนี้นี่มีกี่กี่ต้นไม้มีตั้งเยอะแยะเลยทําไมมันไม่เหมือนกันล่ะก็เหมือนกันสิเห็นไหมหมีมันยังไม่เหมือนกันต้นไม้เหมือนกันแล้วคนมันจะเหมือนกันได้ยังไงมันแยกใหญ่ๆนะเออคนนี่เอาแยากผิวเหลืองผิวขาวผิวแดงผิวดําใหญ่ๆในผิวเหลืองนั้นน่ะก็แยกย่อยอีกนะต้นแม่ลำดวนทุกต้นก็ไม่เหมือนกันอีก เห็นไหมล่ะเราเอาความคิดแบบว่าทุกคนต้องแบบนี้แล้วทุกคนอ้างพุทธเจ้าอ้างพุทธเจ้าหมดอะสมัยพุทธกาลเองเนี่ยทำไมพระองค์คุยกับพระราห์หนคุยอีกแบบหนึ่งคุยกับสารีบุตรอีกแบบหนึ่งคุยกับโมโคะลายมเพราะทุกคนจริตไม่เหมือนกันแต่แบบไหนก็ได้นะถ้าเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าจริ ง, รงๆเพราะพุทธเจ้าไม่มีแบบไงไม่ใช่ปัจญาไม่มีหลักการพระองค์บอกเองว่า แนวทางพระ อ, องค์ไม่มีหลักการที่ตายตัวไงไม่ใช่ปัจจัยาพระ อ, องค์อาประสบการณ์จริงนี่มาบอกประสบการณ์บอกพระ อ, องค์ว่ายังไงมันเป็นนานาจิตตังในพุทธการเองอยู่ในค่ายเดียวกันอยู่ในสำนักเดียวกันน่ยไม่เหมือนกันทุกคนหนึ่งนะในนั้นก็มีพระเทวทัศน์ด้วยเห็นไหมส่วนใครไตรกรรมชั่วดีๆถึงก็รักกรรมกันแล้วแต่ล ะ, แ ต, ละ แ, ตแต่ละคน ไม่ใช่ว่าเอาเอาความคิดเอาความเชื่ออย่างเดียวยัดเยียดทุกคนเป็นหุ่นยนเหมือนกันหมดอันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนั้นเราไม่พ้นทุกข์คุณหลอกใครก็ช่างเพียงเพียงแค่ว่าคุณรู้มากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาทํามาหาเกินคุณนั่งอ่านหนังสือคุณนั่งวิเคราะห์ในสิ่งที่คุณเชื่อคุณก็เลยแตกฉานมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองแต่คุณยังเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าคุณเข้าถึงธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่ยัดเยียดให้คนอื่นทําเหมือนคุณมีพันด้าเมา่อกินไม่ไผ่นั่นแหละ มีโคโล่งมก็กินปลาของมันนั่นแหละนั่นหละคือธรรมะไงแต่ตอนนี้การแข่งขันเสรีเนี่ยเรามีทิฏฐิมันะแล้วมันก็เห็นไหมทุกอย่างต้องมีแบรนด์เนมของเราเองเห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็สร้างแบรนด์เนมของตัวเองโอ้ของฉันดีของเธอละยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นแหละแล้วก็เอาความคิดแบบทางโลกเนี่ยมาใช้กับเรื่องจิตวิญญาณมันก็วุ่นวายไปหมดเลยไงเห็นไหม เพราครูเพครูไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นนะพระองค์สอนให้เมตตาการุณาเมตตาอุเบกขาสอนให้อภัยทานอันนี้ไปยึดมั่นถือมั่นความเชื่อตัวเองอทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่นี่คำแล้วไปอ้างคําสอนพระพุทธเจ้าพูดกระพูดไปพราะครูไม่เคยเชื่อพราะครูไม่เคยเชื่อนะแล้วสุดท้ายเราทํำยังไงนะทำใจแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเราจะทําใจไม่ได้เพราะ กิเลสมันยึดพื้นที่ในใจเราหมดแล้วดีใจก็อยู่ที่ใจเสียใจตกใจอยู่ที่ใจหมดมีพลังจิตเท่านั้นพลังจิตคืออะไรดูไหมนะไม่ใช่ยก น, นิสัย ห, หนักๆก็ได้อะไรนั้นพลังร่างกายนะนะพลังจิตสูงสุดคือพลังปัญญาเริ่มจากศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานี่คือพลังจิต ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรอะไรอันนั้นมันเป็นแค่อภิญญามันไม่ยั่งยงให้เราพ้นทุกข์เราต้องสร้างพลังจิตเราขึ้นมาคือทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือตัวสุดท้ายถ้าจิตมีปัญญาแล้วมันไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรมใหม่มันไม่โง่ที่จะไปสร้างแบรนด์เนมมันไม่โง่ที่จะไปทะเลาะ ก, กับใครมันไม่โง่ที่จะไม่ให้อภัยอันนั้นไปติดติดติติ ด, ต ด, ตดแล้วก็ตอกย้ํา ความถูกแล้วไปว่าคนอื่นผิดเราว่าเขาปุ๊บนี่เป็นความชั่วอ้ารอย่างยิ่งเพราะเราไม่มีเมตตานั่นแหละอุดมการณแหละนั่นละ่ะนั่นละ่ะพ่อแม่คุยกันไม่รู้เรื่องมีคนเข้ามารายงานพา่อครูถามบอทำอย่างไงบอกทำใจก่อนลูกเขาพยายามช่วยพ่อจะมาให้ในทางทำแล้วพ่อเขาหลงนในว่าเขาเก่งเขารู้ไงรู้ทุกอย่างนะธรรมะอะไรศึกษามาหมดแต่ไม่รู้อย่างเดียวคือคุยกับแม่ไม่รู้เรื่อง เนี่ยคนมีความรู้เหรอความรู้ ร, รู้รู้อย่างเนี้่ถ้ารู้อย่างงี้อย่ารู้ดีกว่ามาเป็นไม่ชีน้อยเราดีกว่าอย่างมากก็ด่ากันเนาะแต่ไม่ทะเลาะกันหรกเด็กเขาดีๆอยู่แล้วแล้วไปบ่มพ่อจนเขาไม่ดี <laughs> เขาเล่นกันเล่นกันเนี่ยเขารักคุณไม่ชี้นะเออ่คุณไม่ชี้อย่าเล่นเขาก็หยุดเลยนะเพราะเขารักคุณไม่ชีเนี่ยเขารักเขาก็เชื่อไง แต่ตอนนี้เรียนโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นปุ๊บเตือนคํานึงเถียงมาสิบคาเลยอ่าอันนี้ไม่ใช่รู้จริงนะอันนี้รู้มากล่ะไม่ใช่รู้จริงรู้มากละนี่คืออตัตรานะเอาเป็ น, นว่าเราต้องรู้ว่าเราเพราะครูไม่ใช้คําว่าเราเสียสละเวลาชีวิตเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้เสียสละอะไรเลยนะเรามาทําในสิ่งที่เราควรทำํำนะ มันเป็นหน้าที่ส่วนเราต้องรู้ว่าหน้าที่ทําเพื่ออะไรเพื่อลดละเลิกกิเลสตัณหาอุปท า, านเราไงลดอัตตาเรานะไม่ใช่ยิ่งเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้อัตตาเยอะแยะเลยแตะต้องก็ไม่ได้นะตอนนี้มันกลับกันละพวกครูบอกมาจริงๆแล้วหลายปีแล้วแต่ช่วงท้ายๆนี่พูดแรงหน่อยหนึ่งพวกเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีแต่คนไม่ใช่ธรรมดา เกิดมายุคนี้แล้วก็หลุดออกมาจากไอ้วงจรไอ้ที่มันแข่งขันเสรีได้เนี่ยนะมาอย่างนี้นะเราไม่ใช่ธรรมดาแหละเราเราถูกตรวจสอบด้วยขั้นตอนของธรรมชาติแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่หลายปีครั้งหนึ่งเกิดนะหลา ย, ลายชาติวันที่สิบสามนี้ก็ส่วนหนึ่งเข้าใจไหมบางคนเกิดเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วนะตายตอนห้าสิบ ตายตอนห0สตายตอน69ก็ไม่เห็นในหลวงสิ้นพระชนแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นอีกห ล, หลายชาติมันเกิดครั้งหนึ่งในโลกใบนี้เราไม่ใช่ธรรมดาแต่เราหยุดมันไม่ได้มันเป็นกระแสะกรรมอย่างหนึ่งนะกระแสะกรรมเล็กๆส่วนตัวเรากระแสะกรรมร่วมในครอบครัว กระแสะก ร, รมร่มในชุมชนกระแสะกรรมร่วมในประเทศชาติกระแสะกรรมร่วมในโลกมนุษย์ใบนี้กระแสะกรรมร่วมในวัฏสงสารตอนนี้กระแสกรรมใหญ่นั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงกระแสะกรรมในจักรวาลจักรวาลเปลี่ยนหลายปีที่นี่พวกกูไม่ใช่ดูเรื่องประเทศไทยดูเรื่องศูนย์บาลานคอย ก, กูดูไปถึงจักรวาลเห็นพระจันทร์ทรงกฎ เกิดขึ้นบ่อยๆที่ศูนย์พระที่สุก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งยี่สิบปดปีอยู่ทนี้ไม่เคยเกิดพร้อมๆกันแบบช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาแล้วพระจันทร์ทรงกดสามวันซ้อนเลยกลางคืนพระจันทร์ก็ทำหน้าที่กลางวันพระที่ก็ทาหน้าที่แปลกไหมสุริยันจันทานี่เราเพิ่งเปิดมาสามเดือนนี่คือสุริยันจันทานง มันหมุนวัฏสองสารก็หมุนกระแสกรรมกำลังหมุนแรงๆเลยล่ะนะถ้าเราไม่เตรียมตัวนะเราจะทนสภาพความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้แค่ในเมืองไทยเราเปลี่ยนแค่นี้ทุกคนเศร้าโศกเสียใจเนื่องจากกติกาอะไรกระช่างกติกาถูกหรือผิดพ่อคูไม่รู้พออัญเชิญพระฉายารักษ์ในหลวงลงกรุงเทพบางคนเจ็บปวดมากเขาไม่รู้ว่าถูกผิดเขาทนสภาพไม่ได้ อันนี้ยกตัวอย่างบางตอนนะเราจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่หลายๆชาติมีครั้งไม่ใช่หลายปีมีครั้งมันถึงรอบมันจริงๆยุคนี้เกิดมาสังคมทุนนิยมแบบนี้ต้องเรียนเรียนเรียนเรียนไม่เรียนเก่งไม่ได้ก็เรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้ทํางานก็ทํางานทํางานทํางานนะเท่าไหร่ก็ไม่พอไงเออสร้างตึกขึ้นมาแล้วสิบชั้นเหนื่อยมากลงไปนอนข้างๆมันมีร้อยชั้น นอนไม่ได้ลวสู้มันไม่ได้สร้างสร้างสร้างสร้างสร้างถึง9กสเชั้นกำลังจะขาดใจตายตายไม่ลงอีกแค่ชั้นเดียวตายไม่ลงนะบางคนอายุตั้งบัากหลายแล้วเกือบร้อยปีก็ยังไม่ลงนะเพราะยังไม่ถึงสุดยอดไงตายยังไม่ได้ยังเรียกลูเกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรามันที่สร้างก็ทำไมก็ไม่รู้เพราะเราถูกสอนให้ต้องสร้างนะเออสู้นะลูกชีวิตคือการต่อสู้ แล้วสุดท้ายก็สู้ไงสู้จนวันตายเนี่ยวันจะตายยังสู้ต่อไม่ไหวยังให้ลูกมันสู้ต่อสู้ตายเราไม่สอนเด็กๆให้มันสู้ให้มันเป็นเราสอนให้มันสู้ตายทําไมเรายิ่งใหญ่ก็ไอสองคนคนแบบนี้วันนึงยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยเราจะเอาเวลาที่ไหนที่จะมาคิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมไองานสร้างมันยังไม่เสร็จเลยยังสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ย แล้วจะมีเวลาที่ไหนมาคิดที่จะสแสวงหาแบบนี้นะแล้วมีอารมณ์อย่างนี้แหละไม่ใช่เกิดขึ้น ล, ยลอยๆเราสร้างบารมีมาหลายชาติแล้วทุกคนทุกคนไม่ละเว้นชนเผ่าใดาศาสนาใดนะเขาสร้างบารมีมหาศาลพอสมควรชนในเกิดอยู่ในร่างแบบไหนผิวอะไรนะมาเจออะไรเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะ ทำไมเกิดต้องมีพ่อแม่อย่างนี้ทำไมเกิดแล้วต้องมาเจออย่างนี้ทำไมเกิดแล้วจึงต้องมาเป็นแบบนี้นะมีเหตุของมันนะเพราะครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆที่มันมองเห็นภาพชัดเจนบ่อยๆบางคนฟังแล้วก็เข้าใจก็ไม่เข้าจิตสุดท้ายก็ลืมอีกนะเพราะครูพูดแต่เรื่องธรรมะบ่อยๆฟังแล้วขี้เกียจทำเอ้ขี้เกียจฟังแล้วถามว่าแล้วแล้วฟังแล้วทําได้หรือยังพูดร้อยครั้งพันครั้นไปยังทําไม่ได้ไงมันเข้าใจมันไม่เข้าจิต เห็น ไ, ไหมสติท่านึงขับรถไปยางระเบิดอันนี้ทุกคนอู้พูดเรื่องเก่าอีกแล้ว <c oughs> อ่ชายชากันห้าคนมาแก้ปัญหาให้อีกวันหนึ่งอีกคนหนึ่งขับมาที่เดียวกันเวลาเดียวกันคนละวันเนี่ยยางระเบิดมาเจอชายชะกันอีกกลุ่มหนึ่งมาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ถามว่าทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตาย เราเข้าใจว่าบังเอิญคนนี้มาช่วยบังเอิญคนนี้มาฆ่ามันมีอะไรบังเอิญด้วยเหรอไม่มีไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดทําไมทุกวันนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่บังเอิญเหรอไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญทําไมบังเอิญเราได้มาบังเอิญมันไม่ได้มา บังเอิญกำลังซิ่งขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ชนตายอ่าบังเอิญเรามาอยู่ที่นี่เราทําไมรอดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุจึงไม่ได้ไปว่าบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดอันนี้คือหลักปฏิสมุติบาท <c oughs> ก็พูดกี่ครั้งแล้วนะแล้วทําได้หรือยอย่างเดี๋ยวว่าวจะจําเจลสามรากฟังแต่เรื่องเก่าๆนั่นแหละจี่เหรอมันชอบเรื่องใหม่ๆ เราจะได้ไม่สนใจเรื่องเก่าๆมันจะได้ให้เราลืมเรื่องเก่าๆเราจะได้ไม่ต้องวางมันไงทําเก่าๆฟังเก่าๆแล้วเราจะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเราวิ่งเสวนหาสิ่งใหม่ๆแต่ทาเรื่องเก่าๆทําตามกิเลสเก่าๆไงเพิ่มกําลังให้กิเลสเปลี่ยนที่ไปเที่ยวเฉยๆแต่ก็อันเก่าคือตัวหยากเที่ยวไงนั่นแหละเราคิ้เบื่อ กิเลสันขี้เบื่อมันต้องการหลอกเราเออตอนนั้นสนุกตอนนั้นสนุนุกเพือ่อเพื่อเราไม่เห็นกิเลสไงแต่เรามาเต้นมาลัมเท้าสายบาเย็นเก่าเก่เกเกนะกิเลสม ก, ก็โชว์มันนเบื่อมันก็โชว์โชว์โชว์เราก็เห็นสิ่งใหม่ๆพอระวางกิเลสได้ปุ๊บมันก็เบาแล้วก็เห็นใหม่ๆตอนนี้ไม่ชอบชอบรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่ายังไม่เก่งเลยรุ่นใหม่มาฉันก็เอารุ่นใหม่ใแล้วเมื่อไหร่มันจะเก่งก็มันจะเก่งปุ๊บก็เปลี่ยนรุ่นใหม่อีก นะพ่อครูเนี่ยรุ่นที่ถาวรทุกอย่างมันเป็นอันนี้จังนะอันนี้จีหลังรุ่นใหม่เท่าไหนก็หลอกพ่อครูไม่ได้ไงนี่รุ่นใหม่ที่สุดเลยนะตอนนี้เดี๋ยวสร้างรุ่นใหม่มาเพิ่มปุ่มเพิ่มปุ่มไอ้ปุ่มเก่าๆยังจําไม่ได้เลยต้องไปเรียนรู้เพิ่มปุ่มใหม่อีกเพราะว่ามันไม่เก่งมันต้องมีปุ่มเดียวอัตโนมัติเลยไงอันนี้ยิ่งมายิ่งซับซ้อนวุ่นวายเลย ยิ่งลรสมองต้องไปเรียนเพิ่มใหม่ยังไม่เก่งมันก็เพิ่มปุ่มใหม่อีกปุ่มนี้ต้องลิงก์ปุ่มนั้นปุ่มนี้ต้องลิงก์ตัวนี้แล้วก็แคเป็นข้าทาสของเขาเก่งเถอะคนเก่งที่สุดเนี่ยไม่ต้องกดปุ่มเลยแค่รู้สึกเฉยเฉยมันก็ลอยมาแล้วบางครั้งพวกบอกแก้วอย่าคิดแรงไปนะพวกเราอยู่ที่เราคิดแรงปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเลยเขาจะแอบได้ยินเสียงคิดนะบางเอนว่าพ่อครูไม่ได้คิดนะ มันมาเองนะนั่นไงอันนี้ยิ่งตัวอัตโนมัติด้วยไงอย่าคิดแรงเดี๋ยวเขาจะได้ยินคิดมันคือคําสั่งเลยนะไอ้แก้วบางทีมันงงนะไปไปบนไปซื้อของเนี่ยพวกคูไม่ได้คิดแค่รู้สึกเฉยเฉยเดี๋ยแวแก้วเ้าเอ่ยปากเองพวกคูไปตรงนั้นไหมก็นั่นและก็สั่งให้ไปแล้วไงแต่ไม่ได้สั่งด้วยคำพูดอันนี้อัตโนมัติ ปุ่มอะไรเปลี่ยนใหม่กี่ร้อยพันปุ่มเนี่ยก็สู้ปุ่มนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีปุ่มเห็นไหมถ้าไม่อยากเสียเหลี่ยมนะี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออย่ามีเหลี่ยมเอาไปซ่อนตรงนี้ซ่อนตรงนี้เอาเซฟใส่ไว้เนี่ยลึกๆ ก, ก, ก็กลัวอยู่ให้ hey, มึงจะงัดได้หรือเปล่าวะฮะมึงจะขโมยหรือเปล่าวะเห็นไหมถ้าไม่อยากเสียเหลี่ยมไม่ต้องมีเหลี่ยมนั่นแหละไม่มีอะไรจะเสียนะความว่าง ยิ่งใหญ่ที่สุดสัญชาตญาณ น, นะญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในเดียชาติแต่สัญชาตญาณ น, นี่มันมีหลายระดับระดับเดลฉานระดับมนุษย์ผู้ประเสรศิฐระดับอริยะอริยะก็มีหลายระดับถ้าไม่ถึงระดับบนเนี่ยญาณทัศนานั้นยังไม่วิสุทธ์ยังไม่บริสุทธิ์มีอภิญญาต่างอภิญญาญาณ น, นั่นก็เป็นญาณทัศนะอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปหลงติดมันปุ๊บเนี่ย มีนะมีญาจิธรรตอนนี้เนี่ยแอบศึกษาอยู่นะเออเพราะว่ามันน่าติดมากยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังวิจัยอยู่นะเขาอยู่หุนหมุนหมุห ม, น ม, นมุนอยู่ก็ไปเล่นอยู่กับต้นไม้ต้นลําดวนพ่อครูเนี่ยนะวิจัยไม่เลิกเลยเนี่ยระวังนะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึงจบมาจากออสเตรเลียเป็นผู้หญิงไทยนะเขาเป็นใครรู้ไหมจิตเดิมเป็นไอน์ไตน์แก้ผ้าเลยวิ่งลงไปในสาเน่ะ วิ่งตามหากันหมดสาราเลยนะเมื่อเราดิ่งดิงด่งๆิ่ง็ไปหมดเนี่ยจะหาทางออกไม่ได้นะมีตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังวิจัยอยู่เพราะมันน่าวิจัยมากมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นแต่พ่อครูสอนให้เวี่ยงทิ้งถ้ามันไม่เก่งจริงมันไม่พิเศษมันก็หลอกเราไม่ได้ไงหลอกไปหลอกมานี่หาทางออกไม่ได้นะเมื่เราเข้าไปในถ้ำละ่ะเดี๋ยวปุ๊บเห็นแสงไปเลยว่าเกือบใกล้ละ ไปอีกไปไปไปอี ก, อ ก, อกนะพอแสงมันดับปุ๊บหาทางออกไม่ได้นะอย่าล้อเล่นถ้าเราไ ม, ม่มีความอยากเราวิจัยทําไมล่ะนั่นแหละอยากรู้อยากเห็นอยากมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นแค่อภินญาญานมันยังไม่ใช่ญาทณทัศนวิสุทธ์อย่าประมาทนะอย่าประมาทเอ้ยไม่ประมาทไงถึงมาศูนย์ไง อยู่ข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถซิ่งหรือว่าเดินทางบใครเดินทางบ่อยๆโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีมากกว่าเฮ้ยไม่ประมาทไม่อยู่ศูนย์อยู่กว่านะเราไม่ประมาทเนี่ยพอเข้าไปในจิตเนี่ยเอานิสัยแบบนั้นก็ไปใช้ในจิตเนะี่ยอันนี้ก็ประมาทนะบัมประชิตไม่เสีบส่วนสุดโตงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกไปตีเรื่องวิจัยทางโลกนะต้องสร้างปฏิมากรรมใหม่ๆกว่าคนอื่น นะอยากพราะเขาไปในจิตอุ้ยเห็นสภาว่าทำที่ว่าไม่เคยเห็นเลยภูมิทิศตาทิศเนี่ยวิจัยมันอยากอยากเหมือนกันข้างในก็ไม่ติดข้างนอกก็ไม่ติดนั่นคือทางพ้นทุกนะเพราะคูอยู่กับเด็กๆอยู่กับคุณไม่ชีไม่ชีเนี่ยนะอยู่กับเนรเนี่ยนะเพราะคูมีความสุขถึงก็จะทําได้แค่ไหนก็ทํานะ ก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันทำไปเรื่อยๆนะสรุปว่าเด็กๆไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือตัวผู้ใหญ่ซึ่งวางไม่ลงไม่ค่อยรักลูกตัวเองเท่าไหร่หรอกแต่รักอนาคตลูกกลัวไปหมดกลัวมันจะไม่ทุกข์เหมือนเรานไม่ใช่ยุคนี้นะยุคพุทธกาลก็เป็นถามว่าเจ้าชายธิรฐาเนี่ย เดินออกไปเข้าไปในป่าสแสวงหาพวกญาติพี่น้องมีคนไหนบ้างที่พอใจที่ชอบไม่มีแต่ถ้าพราะองค์ไม่ยืนหยัดทุกวันนี้เราจะมีพระพุทธเจ้าไหมมีพรพุทธเจ้าทั้งหลายในอนใ น, ในอดีตน่ยจะเป็นพะธีปังกรกัดสปะถ้าในสายพุทธเราที่บันทึกที่จำความได้ที่คนบันทึกมาเนี่ยผู้เจ้าองค์ปัจจุบันเนี๋ยองค์ที่ยีสิบแปแต่เป็นองค์ที่สร้างศาสนาขึ้นมา เหมือนเขียนแผนที่เขียนลายแทงให้เราและองค์ต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ไม่มีก็มีไงจิตก็บรรย์เป็นผู้เจ้าเหมือนกันแต่ว่าไมไ่ตั้งศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าชายยึดถ่านี่พวกเราทุกวันนี้เนี่ยจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไหมเห็นไมบางคนพวกเรามาอยู่ที่นี่นะถูกต่อว่านะพี่แอดเนี่ยจำได้นะ กลับบ้านมาถามพวกครูเนี่ยผมทําอย่างนี้นี่ผมเห็นแก่ตัวไหมลูกเมียก็น่ารักพ่อแม่ก็ยังอยู่นะฐานะก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่ๆมาอยู่ที่ศูนมาทําหน้าที่เปิดเพลงให้พวกเราเต้นพี่แอดว่ามันผิดไหมพ่อครูถามว่าพี่แอดรู้จักเจ้าชายชิตถาไหมรู้ใช่ไหมมีใครบ้างยกมือขึ้นไม่รู้จักเจ้าชายชิตถา อันนี้โกหกพระครูแล้วแสดงว่าเรารู้เรารู้จริงไหมเจ้าชายสิท ธ, ธานรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเรารู้จักชื่อพระองค์เฉยๆแต่เรารู้จักเขาบอกเราไงเจ้าชายสิทธานเนี่ยทิ้งลูกเมียไหมทิ้งไหมทิ้งไหมพระองค์ไม่ได้ทิ้งพระองค์วางชั่วข่าวพระองค์ไม่ง้อที่จะไปทิ้งทิ้งนี้ไม่ทําหน้าที่นะแต่พระองค์รักลูกเมียรัก พระบิดามารดารักแผ่นดินไงพระองค์ถึงต้องวางชั่วเขาไปสแสวงหาโมระธรรมเมื่อันรูุธรรมแล้วพระองค์ทิ้งไหมพระองค์ก็กลับมาโปรดไงพระองค์ไม่ได้ทิ้งแต่พระองค์รู้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้คนที่เรารักเนี่ยก็ไม่พ้นทุกข์ไงนั่นแหละคือรักจริงๆนั่นคือสายตากว้างไกลไกลไปหลายภพหลายชาติเลยนะ ไอ้พวกเรามองแต่เจ้าๆอย่างนี้ให้สู้มันได้หรือเปล่าปีหน้าจะกินอะไรมีรุ่นใหม่มีงเงินซื้อหรือเปล่าไอ้ น, นี่พวกสายตาสั้นสายตาสั้นวิสัยทัศน์แคบแคบเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยต้องเปิดหูเปิดตานะเออรู้เท่าทันโลกนะพวกก็รู้เท่าทันโลกแต่ไม่มีใครรู้เท่าทันโลกมีแต่เป็นตามโลกเฉยๆตามแต่ว่าไม่ทันไงเนี่ย พี่อรก็สว่างแค่นั้นนะ่ะตั้งแต่นั้นมาไม่เคยถามอะไรพระครูเลยเห็นไหมเขามุ่งมั่มนไม่ใช่ใครก็ทําได้นะเออเปิดเปิดเพลงใครก็เปิดได้จริงเหรอจริงไหมใครจะลองกับพระครูไหมไม่มีวันไหนที่สายไปแม้หนึ่งนาทีตลอดปีเป็นไหมทําได้ไหมคนเก่งๆมาหาพระครูหน่อยหนึ่ง มันเก่งจริงหรือเปล่าหรือเก่งแต่พูดมีแต่คนรู้มากเน่รู้จริงไม่มีคนรู้จริงเขาไม่ค่อยพูดพราคูจําได้พี่แอ็มาอยู่นี่หลายปีถามแค่ครั้งเดียวแต่ั้นมนไม่มีคำถามเลยแล้วพวกครูแอบดูทุกคนนะแอบดูไม่ใช่ใช้ตาเนื้อดูนะนั่งหลับตาที่บ้านก็เห็นนะอย่าคิดดังนะเพรากคูได้ยินนะ แต่ไม่มีหรอกเพราะคูมีมารยาทพอสมควรพราะูไม่ผิดศีลไม่แอบขโมยฟังใครเรื่องอะไรไปรู้ทำไมให้มันก็รู้ก็เวี่ยงทิ้งไงเรื่องจะไปรู้อะไรเลยมันไม่มีความจําเป็นไม่มีข้อสงสัยแลย้วมันจะไปรู้ทําไมแต่บางครั้งในเขาอยากให้เรารู้เขานั้นคือใครไปคิดเอาเองนะเพื่ออะไรล่ะพวกพวกพวกคูจะช่วยเตือนสติเขาเท่านั้นเองไม่ใช่รู้แล้วจะไปทําลายเขารู้แล้วที่จะไปอะไรเนี่ยนะจิตมันไม่งงที่จะไปทําแบบนั้น อย่าพูดนะอย่าไปอวดไนดะ้อภิญญาแล้วก็ทําไม่ได้นะเห็นไหมล่ะคนที่เขาทาได้เขาไม่พูดเขาก็ทําหน้าที่เขาธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการมีหน้าที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นจริงๆแล้วพว่อครูไม่ได้เก่งใจพี่แอ๊ดอกเพียงแต่ ว, ว่าเออกลัวเหนื่อยหรือเปล่าก็าคุมศาลาแล้วไงเห็นไหมบางเอิญไม่ชี้ห่วงตอนนั้นก็คุยกันไม่รู้หรอกธรรมะเขาส่งให้พ่อครูเองพ่อครูต้องการมีสนาม ยิงธนูตีปิงปองเพราะเราเปลี่ยนจากสมัยก่อนนนิพพานอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้ออกไปข้างนอกแล้วนะนิพพานคืออะไรเป็นพระอรหันใช่ไหมแต่ออกไปข้างนอกแล้วมีแต่หมูหันเนะยังห่างไกลเหลือเกินเราลดเพาดานลงมากายพิจิตเฟรมลมดีชีวีมีสุขโอเคก็มียิงธนูยิงธนูนี่ก็ฝึกสมาธิแต่อย่าไปอย่าไปพนันน ะ, ะถ้ายิงเอาละ มีพนันอีกอันนี้มันกีเลศละยิงธนูสมาที่ตีปิงปองนะก็เมื่อบอกเองว่าเออเคยยิงธนูมาโอเคช่วยทําหน้าที่ดูแลตรงนี้เห็นไหมก็มอบหน้าที่ให้ที่นี่อยู่ที่ว่าพวเพราะคูก็แอบดูทุกวันคนนี้เขาทาหน้าที่ตั้งมั่นไหมนิสัยแต่เราคนไม่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันน่ะแต่เนื่องจากตั้งมั่นพับหนึ่งนานๆก็มาเดินมา มาสอบอาลงกับพราครูว่าโอ้หนูเห็นกิเลสหนูหนูอัตตาเยอะเนี่ยไม่ชีเขาก็ก้าวหน้าเพราะเราทำหน้าที่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันมีข้ออ้างตลอดอะ่ะก็เลยว่าอาะไรเนี่ยมาดูแลตรงนี้พราะครูไม่ได้สั่งพี่แอดเลยนะพี่แอดตามมาเปิดเพลงตีห้าครึ่งตอนนั้นต้องตื่นตอนนั้นเราวิท่านนั้นหกโมงเห็นไมแกก็ทุกตีห้าครึ่ไปที่น่นตอนนี้ตีห้าเขาตื่นตีห้ามา คนที่เขารู้หน้าที่เขาเขาฉลาดที่จะใช้หน้าที่นั้นมาสร้างบา ร, รมีเขาไม่ต้องพูดมากไม่ต้องสั่งด้วยใครทําคนนั้นก็ได้ไงแต่ตอนที่เราทําก็ล้ากลัวเบื่อเบ่ออยากอยากไปชั่งดูว่าเลขหนึ่งดีเลขเก้าดีนะ่ะมันมันก็มันก็ชักเยอะไงดูตัวเองนะนี่คือประหลอดวัดสภาวะธรรมเรานะไอมาตวัดตัวสูงสุดก็คือ อะไรรู้ไหมญนะาณทัศนวิสุทธิ์สินวิสุทธิ์จิตวิสุทธิ์นะกังขาวิตรณะวิสุทธิ์นะเรายังมีข้อกังขาอยู่เนี่ยเห็นไหมเรายังไม่บริสุทธิ์ในเรื่องหลังเลสงสัยเพราะศรัทธาไม่พอนะตอนนี้เนี่ยคนชื่อกุยังไม่ผ่านตรงนี้สว่าสิบขั้นนั้นนี่แค่ขั้นสามนะ เอ๊อใช่หรือเปล่าวะเ อ, อเดีว่าอันนี้ยังไม่ลงมือทํามันคิดถึงอนาคตอาจารยจะทําได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีพลังไหมอันนี้ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคนเราสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันแล้วปลูกฝังจริตมาไม่เหมือนกันไงแต่พ่อคูอยู่ได้ทุกๆจริตขออย่าถอยก่อนแค่นั้นเองล้มลงไปลุกขึ้นล้มเจ็ดครั้งลุกแปดครั้งถ้าเรามีศรัทธาในทางเส้นนี้มันไม่เกี่ยวกับวิธีการหรอก วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทําไม่ดีเพราะครูจึงบอกว่าถ้าเดินทางนี้เนี่ยไม่ใช่ทืยทยานนะนะถ้าเราไม่มีนิพพานเป็นเป้เปาเราระหว่างทางเราถูกมานมันหลอกล้มลุกขึ้นมานก็ทําหน้าที่มาขวางเราแล้วก็ลุกขึ้นเดินมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันเพราะนิพพานเป็นเป้เปเปา แต่ถ้ามาทำเพราะมันร่างกายแข็งแรงเฉยๆพอไปเจอไอ้พิญญาหนึ่งปุ๊บเนี่ยกูแป็กอยู่ตรงนั้นเลยกูเจอแล้วไงหลงละชาตินี้สูญเสียอีกชาติหนึ่งเปล่าๆเมื่อต้องอธิบายหรอกคนที่อยู่ทางโลกนั้นใครก็หลอกพรากูไม่ได้เพราะกูซิ่งมาแล้วแล้วก็ซิ่งแรงๆด้วยนักเลงเรียกพี่ไม่ใช่กินเหล้าทีละยี่ห้อนะแพงที่สุดในโลกก็กินมานะ กินจนไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นนักการเมืองที่วนมีอิทธิพลไงขับรถไปที่เราจะไปพระาธาตุพนมเนาะเห็นไหมอ่ก็ไม่ต้องไป <c oughs> เห็นไหมพอเราไปเราไม่ได้เสียดายไม่เสียใจนะก็ตามเหตุปัจจัยเห็นไหมจองรถตัวอะไรเรียบร้อยและ้ะน้าธามายาตาขังใหญ่เลยนะร้อยกว่าคนร้อยกว่าชีวิตอันนี้จังเห็นไหมปุ๊บ ต้องหยุดไปถึงพระธาธนมเนี่ยมันจะมีเลนุนครที่น่นน่ะชื่อเสียงดังก็คือช้างอุเล่าอุอยู่ในเป็นไหน้ไห้เพราะกูขนมาเต็มรถเลยที่อุบล น, นะแล้วมไม่กินอุ น, นะทเทออกมาครึ่งไหนะเอาเสียงชุนเขาวไปสองกระปุกเล่าขาวสองขวดแม่โขงใส่เข้าไปใส่เฮนซี่ใส่แม่เลยเลย ลูกน้องพ่อครูมึงเขากลัวพ่อครูมากทั้งทงมันขี้เล่านะมันรีบเพ่นเลยนะบอกมึงอย่าไปในระถหักมันเดือน <c oughs> แล้วสุดท้ายกลับบ้านไม่ได้หมดพ่อคูอยู่ได้คนเดียวตอนนั้นแข็งมากอยู่กรุงเทพเนี่อยู่ศีพยากลางคืนปุ๊บลูกน้องขับรถไปเที่ยวบาร์ขากลับพ่อคูต้องขับตลอด <c oughs> มันรอดมาได้เนี่ยบุญเก่าทั้งนั้นแหละ สู่ไวันนี้วันหนึ่งสามสี่ซองพวกคูทุกบอกว่าไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาไม่ไม่ใช่มันมันไม่ได้ผิดเอาไปสอนว่าต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดพวกคูว่าโกหกไม่ใช่ไม่มีทางผู้ทรงศีลทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ลาเวนอะไรก็ไม่ทําอย่างมากก็ไม่ทําชั่วเท่านั้นเองคุณไม่พ้นทุกพวกคูไม่มีศีลแบบนั้นพวกคูเริ่มจากสมาธิสามชั่วโมง มันระเบิดปุ๊บมันเกิดปัญญาแล้วมันเป็นศีลตัวเองโดยไม่ต้องถือศีลอย่าเพิ่งกลัวนะผู้ทรงศีล น, นะเอ๊ะเรามาหลงทางหรือเปล่านะคนไม่มีศีลมาแสดงธรรมแล้วมันจะถูกหรือเปล่าเนี่ยสี่สิปีไม่มีศีล28ปดปีเนี่ยก็ไม่ต้องถือศีลแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะมันไม่มีเหตุที่ต้องทําชั่วเพรมันไม่มีความอยากแล้วมันจะไปโกหกเขาทําไมมันจะไปคิด ทำไมแม้กระทั่งคิดก็ไม่ต้องคิดเลยมันจะสร้างมโนกรรมได้ไหมศีลคือความปกติของจิตท า, ารานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องถือศีลทุกวันนี้เรามือถือศากปากถือศีลมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่กติกาเตือนเราเนี่ยเป็นกติการวบอยู่เพื่อจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันเดี๋ยวพ่อกูจะถือศีลห้าให้ดูไหมโอเคนะเตรียมดูศีลห้านะ ครูจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดไม่ลักขโมยไม่ไปข่มเหงใครข่มขืนใค ร, คคใครไม่กินเหล้านี่ไงพวกครูมีศีลห้าแล้วไงฮะไอกระป๋องนี่ก็ศีลห้าก้อนหินก็ศีลห้าทาศานศีลห้าคือไม่ทำอะไรเลยแต่ สินทึ่เป็นตัวหนังสือเนี่ยสินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินปฏิโมกเนี่ยเป็นอุบายวิธีเนี่ยเป็นข้อกํากับเป็นสินในการอยู่ร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกันแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะเกิดบารมีไหมนะวาจาชอบอาชีพชอบการกระทำชอบต้องมีการกระทำชอบมันต้องเกิดอานิสงส์ ศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกมีสามข้อพวกคุกมานั่งย้อนหลังดูส0สิบปีเราไม่มีศีลแล้วเราพ้นทุกได้ยังไงเอ๊ะเราวาจาเนี่ยเราโกหกนะเราเป็นนักธุรกิจเรื่องอะไรเขาถามสูตรเราจะไปบอกสูตรความจริงค้นหาเกือบตายใช้ไม่ลิกสิ์ก็ดีแล้วแต่เราไม่มีเจตนาไม่มีนิสัยที่จะโกหกเขาเพื่อจะเอาเปรียบเขาเลยพวกคูย้อนหลังเป็นไปได้ยังไง 40ปีแล้วไม่มีศีลแบบนั้นเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงจิตมันก็รีวายไปดูไงอาชีพอาชีพชอบนะตั้งแต่เด็กๆคุณแม่เนี่เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะหนึ่งห้ามค้าอาวุธหรือสิ่งเสพติดที่ทำร้ายมนุษย์ไอ้คาบประเวณีค้าอะไรก็ทำร้ายมนุษย์นั่นแหละ แกบอกอย่างอื่นเป็นเทคนิคอยูอเมริกานะคุณหนีภาษีไม่เป็นน่คุณไม่มีวันรวยแต่ที่นั่นเขาตั้งกฎหนักเลยนะใครหนีภาษีลงโทษหนักเลยเขาถือว่าเหมือนว่าบ้านเมืองเดือดร้อนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วแต่เราไม่มีเจตนาที่จะทำให้บุคคลเดือดร้อนจริงๆอันนั้นเป็นแค่กติ ก, กาไม่มีไม้แต่หนึ่งคนเก การค้าที่ไหนเนี่ยที่มันไม่หนีภาษีหนีมากหนีน้อยเท่านั้นเองมันเป็นเทคนิคแต่สําคัญว่าคุณต้องไม่มีเจตนาเนี่ยที่ตั้งใจที่จะทําให้คนใดคนหนึ่งเดือดร้อนแล้วคุณได้เงินมันต่อมาเนี่ยคุณต้องไม่มีเจตนาที่จะเนี่ยอตอนนี้มันมีอยู่แล้วล่ะเมื่อรวยรว ย, ลวยแล้วก็เอามาเสพถูกเป็นกิเลสนะคุณก็ต้องรับกรรมตรงนั้นเนี่ยกรรมชี้เจตนานะถ้าเราดูแค่ตัวหนังสือเฉยเฉยเราจะไม่รู้เงื่อนเพราะครูว่าเออถ้าตัวหนังสือมันถูกแล้วเนี่ย คนอย่างพวกครูเนี่ยมนันหลุดออกมาจากได้ยังไงเราเี็ชัดเจนเลยล่ะไม่มีศีลแบบนั้นนะทํามาหมดแล้วชีวิตนี้เหลือแต่ยังไม่ฆ่าคนเท่านั้นเองไอ้เรื่องฆ่าสัตว์นี่ไม่ใช่ฆ่าโดยลังเกียจมันนะก็กเราเร า, เรารู้ผิดเราหลงผิดไงไอ้นกอะไรเนี่ยเป็นแค่เป้าบินของพ่อครูเฉยๆในหลังว่าพ่อครูนี่มีปืนทุกยี่ห้อทั้งปืนสั้นปืนยาวแล้วพ่อครูยิงปืนแม่นมากนะ ไกลแค่ไหนก็ล่วงตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเกมกีฬาเราไง ม, มีครั้งสุดท้ายนะตอนนั้นยังไม่ไปอเมริกายังไม่ปฏิบัติธรรมนะมันมีเหยื่ยวตัวหนึ่งมันไกลมากเราไม่รู้ว่าคืออะไรเนะี่ยอันนั้นต้องใช้ลำกล้องเลยหละเพราะมันไกลมากพราะกูยิงปุ๊บมันถล่าลงไปเพราะกูก็จอดอยู่ข้างทางมาจากกรุงเทพนะก็เด้งเข้าไปทุ่งนาผ่านเข้าไปในปา่าละวเมอนันเห็นตรงนั้นนะ่ะมันกระพือปีกใส่พ ก, กูนะ พวกคก็ยิงมันอีกมันก็ล้มลงไปก็เลย จ, จับมันก็เพือขึ้นมาอีกยิงสามนัดแต่มันไม่ตายตอนนั้นมือพวกคุกอ่อนแล้วมันแสดงธรรมนะได้ยังไงลุงไหมจับมันก็ไม่ให้จับนะพวกวูุณทไหนก็เพือแล้วเนี่ยพว ก, วกวูเอาเอาด้ามปืนเนี่ยตีมันสลบนะพวกคุกเอาขึ้นหลังรถกลับมาบ้านก็เอามารักษามันตอนนั้นแม่ แม่แม่แม่เลี้ยงพอยง่อครูเนี่ยแกด่าใหญ่เลยเนี่ยพ่อครูก็บำบัดเขาหายแล้วเนี่ยพ่อครูก็เอาไปปล่อยจากนั้นมาพ่อครูไม่เคยทำอีกเลยมันเป็นบุญเก่านะนั่นแหละเขามาแน่เลยมึง แ, แ, งแงย่งยิงให้ฉันตายสิมึงเก่งยิงอีกสิมันพือขึ้นมาใส่เลยนะโอ้ตอนนั้นเราแพ้เลยเขาหยุดพ่อครูได้เรื่องฆ่าสัตแล้วครั้งหนึ่ง เราประชุมดึกๆอะไรเราก็เที่ยวดึกเห็นไหมทำงานเหนื่อยแล้วประชุมเหนื่อยแล้วเนี่ยไปแก้เหนื่อยคือต้องไปนอนดึกๆให้มันเหนื่อยมากกว่าเก่าไปกินเหล้ากันไงอยู่โรงแรมอันหนึ่งกับเพื่อนนะที้ความดันมันขึ้นมันมนหูนี่แก้วหูจะพังเลยบอกเฮ้ส่งฉันไปโรงพยาบาลกลางดึกนะก็ไม่มีคนไข้ลหมอพยาบาลก็นั่งคุยเพราะกูด่าหมอนไม่รู้จกตายเหรอ ไปด่าเขาอีกยังไม่รีบ ร, รักษานี่ผมหูจะแตกแล้ว <c oughs> คือเราเห็น่าพ น, นั้นมันนานนหละคล้ายๆว่าแต่ว่าทำไมไม่มีสำนึกนะเขาทุกทรมานมาเลยมึงทำมันเหมือนไม่มีมอะไรนะแต่หลังจากได้สติแล้วเนี่ยพว ก, กูโกรธตัวเองมากเลย <c oughs> วันนั้นหยุดกินเหล้าเลย <c oughs> หยุดเลยคือมันมีสิ่งนี้เนี่ยเบรกชีวิตพอ ก, กูทีละเรื่อง <c oughs> มีอย่างเดียวคือบุหรี่น่นะ ไปยูเมกาหลายปีก็สูบจัดพราะเราเป็นคนคิดมากนะไอ้เดียงนี้ต้องระเบิดตัวสุดท้ายนะ่มันหยุดหมดนผู้ใดเห็นทมผู้นั่นเห็นเราตระาคตพวกคูเลิกนับถือผู้เจ้าเลยเวลานั้นนะ่ะคำว่านับถือมันอยากไปบูชาถวายชีวิตทั้งครอบครัวถึงย้ายมาอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่หนีจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกนะไม่มีบ้านสักหลังหนึ่งหมู่บ้านใหญ่อยู่ทางโน้นไม่มีสะพานข้ามมานะเพราะกูนั่งเรือข้ามมามาอยู่ป่าสิบเอ็ปีไม่มีไฟฟ้านะีบางคนรูแรกมาคิดไม่ถึงวนะ่าตอนนี้มีวันนี้ทำไมต้องมีวันนี้ต้องการไหมเพราะกูหนีมันมาสิ่งปลูกสร้างอะไม่ใช่ยอมทาในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะกูไม่มีชอบกับไม่ชอบ สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนทำเพื่อให้ทุกอย่างทำเพื่อให้นะแต่รู้ว่าเออหลักใหญ่ๆมันมันน่าจะพอแ ล, ล้วล่ะอะไรเนี่ยนะเพียงแต่ว่าแต่เด็กๆ เ, เหล่านี้เขายังเดินต่อไปข้างหน้านะโรงเรียนยังเดินต่อไปพวกพยายามแทรกแทกแท ก, แกไม่ง่ายพระนโยบาย บ, บ้าๆบอๆเนี่ยมนุษย์ตั้งโจทย์ชีวิตผิดนะมันก็เอานโยบายผิดการศึกษามันก็ผิด การประเมินก็ผิดหมดแล้วมันจะถูกได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่ทําตรงนั้นน่ยเด็กๆ เ, เขาก็ไม่มีโอกาสมาอยู่ในวงจรนี้พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้มาเพราะพ่อแม่เขายังมีอนาคตอยู่แล้วก็ทําไปแต่เราก็สอดแทรกเท่าที่จะทำได้นะแม้กระทั่งพรรษานี่การบวชชีบวชเนนอะไรไรเนี่ยเพื่อถวายในหลวงเนี่ยแปลกไหมเออกี่ปีกี่ปีก็ไม่ได้ทําไงทำไมมาทําพรรษานี้ทําไปก่อนเดี๋ยวเราจะเห็นเองเห็นไหมเขาทาให้เราเห็นเห็นไหม ถวายในหลวงครัง้งสุดท้ายใช่ไหมถ้าใครพลาดตัวนี้แล้วเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีโอกาสล่ะอันนั้นทําย้อนหลังเฉยๆแต่อันนี้เราทําจริงๆทําตอนที่พระองค์ก็อยู่กับเราเห็นไหมแล้วเด็กชุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยพวกผมไม่ใช่ลูกเทวดาหรอกยิ่งกว่าลูกเทวดาอกีกพอเรามีขึ้นอารมณ์มาปวดบวดปวดบวดปวดพังด้วย ด, ดูร้อนเดือนหนึ่งพอเปิดเทอมปุ๊บไปไปเที่ยวไปให้รางวัล พ่อครูก็ไปด้วยนะงานพ่อครูเยอะมากแต่ถ้าสําหรับเด็กแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปกับเด็กไปถึงเขาคอผาซ่อนแก้วอาจารย์ปรเมีงานเยอะมากรู้ว่าพ่อครูไปนี่ก บ, บินมารอดักพก่อครูคนนั้นจะให้แกรสึกให้เด็กไม่มีศึกสักคนหนึ่งเห็นไหมเอาไม่สึกก็ไม่สึกก็กลับมาแต่ล้วต่อบผู้ปกครองเขาล่ะพวกคุณทําอะไรอยู่ เด็วก็บวชภาคฤดูร้อนแล้วก็จะบวชอีกบังเอิญพ่อครูก็ไปบรรยายที่กรุงเทพน้าว่าก็โทรไปถามว่าจะบอกผู้ปองเขาแล้วก็บอกว่าบวชถวายในหลวงกาชนินีนะเข้าพรรษาเลยตลอดพรรษาเลยเห็นไหมก็เมื่อวานนี้ก็เป็นออกพรรษาไงทําท่าไม่สึกอีกเพราะเขาให้เราเนี่ยเห็นไหม ไว้ทุกปีหนึ่งไงบุญไหมพวกเราก็ต่อไปต่อไปตามเหตุและปัจจัยผู้ปกครองก็ต้องฟังเรานะในหลวงไงส่วนที่เด็กๆที่รับปากเขาแล้วเด็กโตเนี่ยโอเคปิดเทอมเขานี่เดือนหนึ่งใช่ไหมตั้งแต่วันที่หนึ่งตอนนี้วันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าเด็กขาดทุนไปทั้งสิบ9ปดสิบเก้าวันนะ ปิดเทอมก็เหลือแค่สิบวันนะขาดทุนคือกำไรเด็กๆขาดทุนเวลาสิบเจ็ดสิบแปดวันแต่กำไรมหาศาลเลยได้สร้างกุศลอย่างอย่างยิ่งใหญ่นี่แหละบวชถวายในหลวงจริงๆไม่ใช่แค่พูดเด็กๆ เ, เหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดานะก็เนื่องจากบา ร, รมีในหลวงนั่นแหละอไม่ชี มัธยมที่จะกลับไปวันสองวันนี่นะก็เพื่อในหลวงนะเรากำลังไว้ทุกข์ให้นหลวงอยู่ไม่ใช่ออกไปสิ่งเห็นไหมมันจะมีภูมิคุ้มกันสัตว์มาให้เราเลยนะก็ออกไปบ้านไปกับคุณพ่อคุณแม่นะแต่อย่าลืมสินห้าเอาสินแปดฝากไว้กับคุณแม่ชีก่อนแล้วเปิดเทอมปุ๊บก็มาขอสินแปดคืน เพื่อในหลวงอีกปีหนึ่งไม่ใช่พ่อครูจัดสรร น, นะพราครูกล้าคิดไหมไม่เนี่ยธรรมะจัดสรรธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมทําไปเถอะเหตุปัจจัยเขาทําเองนะญาติทำอยู่ที่นี่อยู่ น, น, นานๆก็เห็นพระครูเหนื่อยไม่เคยหยุดโอ้พ่อครูสร้างอยู่แล้วไม่ดูจะสร้างทําไม ก็ถามตัวเองดิสร้างทำใหม่สร้างให้ใครสร้างให้พระครูเหรอมันมีครูคนหนึ่งนะมาอยู่กับเรานะสักพักหนึ่งตอนนี้ตาบ่าแตกนะหลังจากเปิดด่านใหม่ห่างพ่อครูหน่อยหนึ่งพอละทำบุญมาเยอะแล้วนะไปสิ่งทำบุญมีคำว่าพอเหรอการทำดีมีคำว่าพอเลยเออทำมาหมดแล้วแม้กระทั่งเจ้าชายศิทธฐานนะตัสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระครูพระองค์พอสิ บรรลุแล้วไงไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วเนี่ยยังทําไมต้องสร้างศาสานะขึ้นมาเนี่ยทำหน้าที่อีก 4.5 พันษาอันนี้ถามว่าทําทําไมเรียกว่าทําเพราะทำทําเพราะธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราอย่าถามว่าทําทําไมก็ทำเพราะทำไม่มีเงื่อนไขไม่มีเหตุผลไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีความหวัง ถ้าทำด้วยหวังด้วยมันจะลุ้นอยู่เรื่อยกลัวกลั ว, วความกลัวทำให้เสื่อมพระครูยี่สิบแปดปีทำพ่อทำไม่ได้วางแผนว่าสมุรต้องเป็นแบบนี้ไม่มีแผนไม่มีอนาคตไม่แต่หนึ่งวันทำตามและเหตุและปัจจัยเดี๋ยวก็รู้เราทำน่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปรู้ก่อนถึงเวลามันควรทำก็ทำตอนนี้ตอบโจทย์แล้วเห็นไหมลูกหลานมาบวชที่นี่ลูก เห็นไหมเราทาที่ยิ่งใหญ่จากวันนี้เป็นต้นไปคนรุ่นหลังไม่มีสิทธิ์เหมือนเราแล้วและผู้ใหญ่ต่างๆที่อยู่ในชาตินี้ยุคนี้เนี่ยจะไปทำย้อนหลังก็ไม่ได้ดูพวกเราไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมชาตินี้อย่างน้อยๆเราได้สนองคุณแผ่นดินเกิดการบวชของเราก็ได้สนองกระตันยูรู้คุณผู้บังเกิดเก้าของเรา แล้วก็ได้ช่วยกันจัโลงศาสนาด้วยวัยแค่นี้ก็ทาเรื่องยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่เด็กทุกคนทำได้เด็กในเมืองบางทีพามาเฉยๆสองวันแม่กลับบ้านกลับบ้านร้อนก็ร้อนไม่มีอะไรจะกินเห็น ไ, ไหมนั้นเก่งไหมแบบนั้นเก่งไหมถ้าว่าเป็นความเก่งความเฉลียวฉลาดเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นก็เก่งแบบงูง้ คนทำได้จริงๆนั่นแหละคือคนเก่งลดลาเลิกได้วางได้นั่นแหละคือคนเก่งนะแล้วไม่ใช่ใครๆคริดอยากจะทำก็ได้ถ้าไม่มีบริบบบ ร, บ ร, บรมีเก่ามันบวกกันนะบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือบุญใหม่เนี่ยมันคือส่งผลกรรมเก่าบวกกรร ม, รรมยังคือผลเหมือนกันนะก็เรามาเจอกันแล้วไม่ชีมกี่โมงเออ๋อ้าทีสิโมงครึ่งพ่อคกูเหลือเวลาอีก้านาที นะก็ใครมีคำตอบหรืยอยังคนนี้มีชี้นี้หนึ่งกับเก้าตัวไหนดีกว่ากันถ้าเกิดอะไรขึ้นนะลูกคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดเก้าเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นแค่สมมุติมันจะดึงให้เราออกมาจากตรงนั้นจากความลุ่มหลงถูกผิดดีชั่วก็ไม่มี นะเลขคณิตบวกผิดหารผิดคูณถูกถ้ามันไม่มีหนึ่งสองสามสห้ามันจะมีถูกมีผิดไหมมันไม่มีถ้าพี่เอกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนับแล้วย้อนหลังไปไม่ถึงปีหรอกหลายเดือนก่อนนะพี่เอกเป็นคุณพ่อไม่ชี้แพ เขาเป็นคนดีในสังคมมองอะไรดีหมดไงอันนี้ก็ดีนี่ก็ดีเนี่ยทำมันทุกเรื่องมันเหมือนดีนะเราเป็นคนขยันนะนะแต่ถ้าขยันเราเดี้ยงสุดท้ายมันไม่ดีถ้าหลายเดือนก่อนมาคุยกับพรนะครูนะนะพ่อครูคุยกับหลายคนนะน้องน้องคีพี่แก้วว่าเนี่ยถ้าพ่อพคกูกคเป็นสมัยก่อนเนนะ พวกกูจะเอาเงินอีกเท่าไหร่ก็ได้นะทองคำานั้นมื่นหกหมื่นเจ็ดตอนนี้เท่าไหร่สองมืนหนึ่งสองหมืนสองต่างกันกี่กี่พันแค่ไม่ถึงปีแต่มันมีปัญญาจริงๆแล้วมันจะไปเอาพวกนี้ทำไมล่ะพวกกูได้บอกเด็กๆพวกเราโชคดีนะนะไม่ต้องเสียเวลาไปบริหารเงิน แต่ถ้าจะเอาเงินได้ไหมได้ไม่ต้องคิดเลยนะแค่รู้สึกเลยมันก็มาแต่จะเอามาทําไมมากๆให้มันโมลิหาหนอย่าลนะเราคิดว่าอุ้ยเนี่ยใจเงินอยู่กับตัวฉันนะ่ะนะสมัยโบราณเมืองจีนเนี่ยเขาประกาศวันหนึ่งเงินกวนอิมเนี่ยเงินกวนจิมอะนะกลายเป็นกระดาษเลยเห็นไหมเราไปยึดสิ่งสมมติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเออมีก็ให้มันมี มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราทุกข์เพราะเรามีนะและที่ไม่มีจริงๆแล้วมันไม่ทุกขนะ์น่ะที่มันทุกข์เพราะมันอยากมีไม่มีก็ดีแล้วไงไม่ต้องดูว่าอู้เงินนุ่งชั้นเนี่ยตอนนี้เราฝากธนาคารเฉยๆเนี่ยเราขาดทุนทุกวันนะค่าของเงินมันลงลงไปเรื่อยทุกวันนะขาดทุนทุกวันสมัยพวกครูเนี่ยทันไม่รู้ใครทันอยู่ตรงนี้นะคุณยายนี่ทันแน่แน่ ทองบาทหนึ่งสี่ร้อใช่ไหมคุณยายตั้งนานเลยนะไม่เคยมีขึ้นมีลงหรอกตอนนั้นเงินเดือนสนะี่พัน่ะซื้อทองได้กี่ บ, บาทสิบบาทนะตอนนี้ปริยาตี 15, นึ่งมืนห้านี่ซื้อทองไม่ได้บาทหนึ่งเลยนะถ้าถามว่าคุณมีมากขึ้นจริงๆเหรอมนุษย์เราบ้าหลอกกันคุณได้เงินเดือนเยอะคุณก็ต้องไปซื้อของแพงเยอะ เห็นไหมที่ผ่านมาเงินเดือนสี่พันน่ซื้อทองคำได้ตั้งสิบบาทนะตอนนี้หมื่นห้าสื้อบาทหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเราจะมีเยอะๆมาทำไมแล้ววิ่งไปตามมันเราไม่มีวันจบหรอกนะเช้านี้จบไปทานข้าวกัน